พุทธการนะตอนนั้นก็เป็นช่วงใกล้เข้าบรรษาก็มีภิกษุกลุ่มหนึ่งนะจำนวนมากที่ท่านเรียกว่าภิกษุ500นะคำว่า5 0าเนี่ยคือมากนะอย่าไปคิดว่าจะต้องเป็น500จริงๆภิกษุกลุ่มนี้ก็ตั้งใจจะมาจำพรรษาที่เชตวันพอมาถึงเนี่ยก็ได้สนทนาพูดคุยกับพระที่เป็นเจ้าถิ่นนะ ก็คุยกันออกรถออกชาติมากเพราะว่าไม่ได้เจอกันมานานบอกว่าส่งเสียงอื้ออึงเลยดังไปถึงอ่ากุไตดังไปถึงอ่าที่ประทับของพระเจ้าองค์ก็เลยรับสั่งถามพันห น, นว่าเนี่ยเสียงอื้ออึงเหมือนชาประมงแย่งปลากันเนี่ยมันมาจากไหนใครเป็นคนส่งเสียงอื้ออึงอย่างนั้น จำนวนก็ทูลว่าเนี่ยเป็นพระนะจะมาจำพรรษาที่เชตตวันจำนวนห้าร้อยพวกก็เลยให้เรียกพระกลุ่มนี้มาพอมาถึงนี่พระงก็เรียกว่าประนามเลยนะแล้วก็ไล่ให้ไปจำพรรษาที่อื่ น, น, นพิสูรเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่คิดนะว่าจะโดนพระเจ้าเนี่ยต่อว่าแล้วก็ ขับไล่นะแต่ในเมื่ อ, อพระองค์แม่นิยาตให้รรมสษาที่เชตวันแล้วก็ต้องไปหาที่รรมัสษาที่อื่นกว่าจะได้ที่จ ร, รมัสษาก็ไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่ามีก็ต้องห้าร้อยแค่ร้อยหนึ่งนี่ก็ถือว่าเยอะหาที่รรมัสษายากแต่ว่าด้วยความที่ถูกพู้เจ้าประนาม แล้วก็ขับไล่เนี่ยก็ทำให้พิสุกกลุ่มนี้นคือความละอายใจจากเดิมที่คึกขนองนะมาถึงชัชยตะวันเนี่ยคึกขนองเลยก็เปลี่ยนไปเลยนะหันมาตั้งใจทำความเพียรบอกกว่าในภารษานั่นเองนะพิสุทั้ง5้ารอยเนี่ยก็ได้บรลุธธรรมเป็นพระอรหันต์อันนี้ก็เรียกว่าถ้าไม่โดนผู้เจ้าขับไล่เนี่ย ก็คงจะไม่ได้บรรลุธรรมนะเพราะจะไม่เกิดความยังคิดขึ้นมาไม่เกิดความละอายแต่การที่ตัวพระเจ้าตรัสเนี่ยด้วยถ้อยคำที่รุนแรงเนี่ยก็ทำให้พิสูจน์เหล่านั้นเนี่ยเกิดความสานึกขึ้นมาเรียกว่าเกิดความละอายนะริยกิริรละอายอต่อบาศก็เลยนะ ตั้งใจทําความเพียรจนกทั่งบรรลุธรรมถ้าไม่โดนต่อว่าอย่างไรว่าก็อาจจะยังไม่ก้าวหน้าในการปฏิบัติก็ได้ให้คำต่อว่าดาทอนี่มันก็สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตของคนได้เหมือนกันนะบางครั้งเราคิดว่าเนี่ยอมีแต่คำสรรเสริญหรือว่ามีคำชื่นชมเนี่ย ซึ่งเป็นสิ่งที่ใกล้ๆต้องการเนี่ยเมื่อเพือพอได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำใหนะ้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้แต่บางครั้งเนี่ยการตอบ่าดาทนี่มันมีผลชังงัดกว่านะในการทำให้เกิดจุดเปลี่ยนขึ้นมาในชีวิตของคนก็ในช่วงเดียวกันนักสายพุทธการเนี่ย มีภิกษุณีท่านหนึ่งนะก็มาบวชตอนที่ยังสาวเดิมก็มีครอบเดิมก็มีเดิมก็แต่งงานนะมีครอบครัวที่จริงก็อยากจะบวชนานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้บวชจนกระทั่งสามีอนุญาตก็เลยได้บวชเป็นภิกษุณีบวชไม่นานก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยตั้งครัน สี่แรกเนี่ยก็มีบางคนกล่าวหาว่าเนี่ ย, ยตั้งคันเนี่ยหลังจากที่ได้บวชแล้วหมายถึงว่าเสร็จไมุ่นจนตั้งคันเนี่ยแต่ปรากฏว่าพอได้พิสูจก็พบว่าเนี่ยการหลับนอนเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนที่พิสูจน์นี้ท่านนั้นจะมาบวชก็เป็นอันว่ายังบวชต่อไปได้ แต่ว่าพอโรกกำหนดขอนทารกที่ขอ้อลงมานี่ก็ตัวพิสุจน์นี่พูดเป็นแม่ก็ไม่สามารถที่จะดูแลหรือเลี้ยงดูได้นะก็ต้องนะมอบให้เป็นภาระของคารวาสรับไปดูแลพระเจ้าเปเสนยโกศลเนี่ยได้ทราบข่าวนะก็ขอรับทารกน้อยนั้นไปดูแลแล้วก็ ตั้งชื่อว่ากุมารกัส ป, ปะกุมารกัสปาเนี่ยก็คิดมาโดยตลอดว่าพระเจ้าประสิทธิโกสนเนี่เป็นบิ ด, ดาจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยนะตอนที่อายุสักเจดแปดขวบได้มั้งหรืออาจจะอายุน้อยกว่านั้นเนี่ยถูกเพื่อนล้อว่าเนี่ยว่าเป็นคนที่ไม่มีพ่อ ตังแปลกใจนะก็คิดว่าพระเจ้าปเสนทิโกศลเนี่คือพ่อพอไปถามความจริงพระเจ้าปเสนทิโกศลก็เปิดเผยว่าเนี่ยไม่ใช่พ่อที่แท้นะและ้วก็แม่ที่ตัองคิดว่าเป็นแม่ที่แท้ก็ไม่ใช่อากุมากรสปะก็ตอนหลังก็เลยเกิดความเบื่อนหน่ายก็เลยบทชเนรบทชเนรก็ทำความเพียร น, นะ จนกระทั้งได้เป็นภิกษุตอนหลังท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระรหันนะฝ่ายภิกษุนี้ที่เป็นแม่เนี่ยเมื่อลูกน้อยเนี่ยไปอยู่ในการดูแลของคนอื่นเนี่ยก็มีความคิดถึงโดยตลอดตามพิสัยของพูดเป็นแม่คิดถึงลูกชายทีไรก็ร้องไห้ แล้วก็เฝ้าคอยนะที่จะได้มีโอกาสเจอลูกชายบ้างต่อหลังก็ได้ทราบว่าลูกชายบวชก็รอที่จะได้พบก็เป็นเวลานา น, านทีเดียวนะตั้งแต่ที่ได้อาจากลูกมาเป็นเวลาสิกบกว่าปีทีเดียวนะวันหนึ่งก็บังเอิญเห็นนะพระกุมารกสปะนี่กาลังบิณฑบาต ก็จะว่ายังเป็นเนนอยู่ตอนนั้นน่ะ น, นะแต่ว่าท่านก็มีความเจริญก้าวหน้าในธรรมแล้วพี่สุนีพูดเป็นแม่เนี่ยพอเห็นเนยกุมารกับส ป, ปะเนี่ยก็ดีใจนะลืมตัวเรียกว่าลูกลูกลูกวิ่งไปกะจะกอดลูกชายแต่ด้วยอารามณ์รีบนะก็เลยสุดหินล้ม ในกุบังกัสปานี่ก็พอรู้เข้าว่าผู้เป็นแม่นี่อยากจะมากอดก็ได้คิดขึ้นมาว่าเนี่ยมารดาของเราเนี่ยถ้าว่าเราพูดด้วยว่าโดยถ้อยคำที่ไพเราะหรือพูดดีๆเนี่ยท่านก็จะยิ่งมีความสินเนหา ในตัวเรามากคือก็จะทำให้พลาดโอกาสในการที่จะปฏิบัติธรรมไม่ควรที่เราจะพูดด้วยถ้อยคำที่รุนแรงเพื่อทำให้ท่านเนี่ยคลายความอาลัยจะได้ตั้งหน้าตั้งตานะทำความเพียรท่านก็นเลยเนี่ยพูดกับพิษุนีผู้เป็นแม่เนี่ยด้วย ทำเสียงที่แข็งกร้าวเลยท่านโมทำอะไรอยู่นะแค่ความรักนี่ก็ตัดไม่ได้ที่สุดในผู้เป็นแม่เนี่ยพอได้ยินเขาก็ตกใจนะเกิดความน้อยใจขึ้นมาว่านี้เราอุตส่าห์ร้องไห้เพราะคิดถึงลูกชายมาสิบกว่าปีแต่ว่าลูกชายแทนที่จะ ดึกถึงหัวอกของเรานะกับพูดนะพูดจาตัดเยื่อใหญนะ่ไม่มีความเห็นอกเห็นใจเลยไม่ได้ความน้อย อ, อกน้อยใจนะนะพิสูจนนี้ท่านนี้ก็เลยตัดอะไรนะในเมื่อลูกตัดเยื่อใหญ่แล้วเราก็ ตัดอะไรในตัวลูกเสียแรงที่ลักลูกมาแต่พอลูกผู้ชนนี้เราก็ตัดใจดีกว่าแนับแต่นั้นมานะท่านก็หันกลับไปทำความเพียพรพอหวังอะไรในตัวลูกไม่ได้แล้วปรากว่าท่านเนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระอราหันต์เนี่ย ในวันนั้นเองนะอันนี้ก็เรียกว่าได้ดีนะเพราะว่าถูกลูกต่อว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเลยนะของพิสุณีท่านนี้เนี่ยเพราะว่าท่านถ้าทําใไม่ถูกต่อว่าด้วยลูกชายนะซึ่งเป็นที่รักเนี่ยก็ยังคงนะมีความอาลัย มีความรักหรือว่าที่ท่านภาษาบริเชษว่าเนเนรหาในตัวลูกแต่พอเจอท่าคำรุนแรงนี่ก็ได้คิดเลยนะอันนี้ก็เรียกว่าชีวิตเปลี่ยนนะจิตเปลี่ยนด้วยเนะเพราะว่าคำต่อว่าด่าทอคำพูดที่รุนแรงนะไม่มีเยื่อใหญ่ของลูกชาย ครูบาอาจารย์หลายท่านเนี่ยที่ท่านเปลี่ยนเนี่ยก็ก็เพราะถ้อยคําทํานองนี้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเพียงเพราะว่าได้ฟังธรรมแล้วเกิดความศรัทธาหรือว่าเกิดเห็นครูบาอาจารย์ที่มีเมตตาก็ทําให้เกิดความศรัทธาได้สัมผัสความสงบเย็นของครูบาอาจารย์แล้วก็เกิดความ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติธรรมหลายคนเนี่ยได้พบสิ่งดีๆจากครูบาอาจารย์ก็เกิดกำลังใจหรือศรัทธานในการที่จะปฏิบัติแต่ก็อีกหลายคนนะเจอสิ่งตรงข้ามนะที่เราเรียกว่าอนิจจารมเนี่ยสิ่งที่ไม่น่ายินดี และสิ่งที่ไม่น่ายินดีเนี่ยที่คนไม่อยากจะได้ยิ น, นยก็คือคำต่อว่าด่าทอหรือคาพูดที่รุนแรงแต่ว่ามันก็มีประโยชน์อย่างหลวง่าเทียนเนี่ยอย่างที่เราทราบนะตอนที่ท่านเป็นคาราวารเนี่ยท่านก็เป็นพ่อค้าที่ประสบความสำเร็จและท่านก็สนใจเรื่องศาสนามาก นะเรื่องการบุญการกุศลนี่ท่านเต็มที่แล้วก็อย่างที่พวกเราได้ฟังมาแล้วนะมีคราวหนึ่งเนี่ยนะท่านเป็นเจ้าภาพนะจัดทอดกรถินที่เมืองลาวในกาที่จะทอดกรถินนี่ก็มีหมรศบมีการเลี้ยงหลวงพ่อเทียนซึ่งเป็นคราวาสเนี่ยเลือกพ่อพันธ์เนี่ยก็มอบหมายให้ ภรรยาเนี่ยไปผู้จัดจา ก, การเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารค่าใช้จ่ายเรื่องหมอรศหมอรำให้ภรรยาจัดการตัวท่านเนี่ยก็ขอเพียงแค่รับแขกจากทางไกลแล้วก็รับศีนบอสดสินแต่ว่าในระหว่างนั้นเองเนะภรรยาก็มาถามนะว่าค่าหมอรำเท่าไหร่ ท่านบอกท่นโกรธมากเลยนะโกรธมากจนรู้สึกหนักใจแทบจะลุกไม่ขึ้นมันเหมือนกับว่าถูกตำที่ใจเลยนะเพราะว่ามอบหมายให้ภรรยาเนี่ยจัดการเรื่องนี้แล้วยังมารบกวนไม่พอใจมากแต่ท่านก็ไม่ได้พูดอะไรนะเก็บกลั้นความรู้สึกเอาไว้ ความรู้สึกที่วคือความโกรธจกนกระทั่งท่อกระสินเสร็จแล้วเนี่ยตอนเย็นเนี่ยกินอาหารจับภรรยาฉันก็หน่าบึง้งแล้วก็พูดอยู่แต่ประโยคเนี้ว่าคนที่ไม่เคารพนับถือกันก็เป็นอย่างนี้แหละคนที่ไม่เคารพนับถือ ก, ก็เป็นอย่างนี้แหละภรรยาแปลกสงสัยก็เลยถามว่าเป็น เรื่องอะไรสาเหตุที่ไม่ที่ไม่พอใจในะเรื่องอะไรพอรู้ความจริงเข้าภรรยาก็พูดขึ้นมาเลยว่าเจ้าตกนรกแล้วเป็นเจ้าภาพทําบุญกฐินแต่ไม่ได้บุญดอกเจ้าเป็นคาพูดที่รุนแรงนะเจ้านี้ตกนรกแล้วเนี่ยทอดกฐินเนี่ยแต่ไม่ได้บุญหรอก แต่เพราะว่าหลวงพเทียนเนี่ยหรือว่พันุ์นี้แทนที่จะโกรธนะกับได้สติฉุกคิดขึ้นมาฉุกคิดว่าอะไรนะว่าเนี่ยในขณะเราทําบุญทําทานมาเยอะนะแต่ก็ยังมีความโกรธยังมีความทุกข์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการทําบุญทําทานเนี่ยมันคงไม่ใช่หนทางเนี่ยที่จะออกจากทุกข์หรือว่าออกจากความโกรธได้ และนั่นคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ท่านเนี่ยหันมาสนใจนะการทำกรรมฐานนับ แ, แต่วันนั้นมาที่ท่านก็เรียกว่าเรื่องการค้าการขายท่านทิ้งเลยนะแล้วก็ออกไปหาครูบาอาจารย์ออกไปหาที่ปฏิบัติจนทั้งท่านได้ค้นพบนะ หนทางแห่งการออกจากทุกข์เราก็คนพบวิธีนะที่จะช่วยทำให้เกิดสติเกิดความรู้สึกตัวได้อย่างรวดเร็วและซึ่งต่อมาท่านก็ไม่ใช่เป็นแค่ผูบาอาจารย์สอนธรรมแต่ว่ายังได้บวช ด, ด้วยนะแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมาจุดเปลี่ยนสำคัญคือตรงนี้แหละนะถูกภรรยาต่อว่า มันเป็นคําที่รุนแรงนะเจ้าตกนรกแล้วทําบุญก็ไม่ได้ไม่ได้บุญหรอกนะมันทําให้ท่านได้คิดขึ้นมาว่าไอการทําบุญการให้ทานนี่มันไม่ใช่ทางมันคงไม่ใช่ทางมันมีทางที่ดีกว่านั้นก็ทําให้ท่านเนี่ยทุบเทยกับการทํากรรมฐาน มีคนจนโดนไม่้อยนะที่ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนนิสัยใจคอเปลี่ยนเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่มุ่งในทางธรรมอย่างเดียวนะคนที่มุ่งในทางโลกเนี่ยก็มีหลายคนนะที่ได้คิดถูกคิดแล้วก็นิสัยใจคอเปลี่ย น, เ, นยเพราะว่าเจอคำต่อว่าด่าทอ คำที่พูกระทบแรงๆยังมี c o อที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งเนี่ยคนเก่งนะแล้วก็ประสบความสำเร็จตั้งแต่อย่างหนุ่มมีภาระความรับผิดชอบมากเป็นที่ยกย่องธรรมดางคนหนุ่มที่ประสบความสำเร็จที่ก็ใจร้อนมีคนขับรถอยู่คนหนึ่งเนะี่ย คน ค, คนนี้ก็สุภาพนะแต่ว่าต้องเจอกับคำพูดที่รุนแรงของเจ้านายคนนี้เวลารถติดเจ้านายหัวเสียก็พูดระบายใส่โชเฟอร์บางทีขับช้าหน่อยนะก็ด่าโชเฟอร์หรือว่าบางทีขับรถไม่ถูกไม่ถูกใจก็ด่า ด้วยท่าทาที่รุนแรงและบางทีก็หยาบคายบางทีโมโหใคร ไ, ไม่รู้จะระบายก็ระบายใส่โชเฟอร์เนี่ยถึงกับใช้เท้าถีบหรือกระแทกเบาะหลังเบาะของโชเฟอร์เนี่ยคือเป็นคนที่เรียกว่าพร้อมที่จะระบายอารมณ์เนี่ยใส่โชเฟอร์เนี่ยอาจจะเห็นเพราะเห็นว่าเป็นเป็นลูกน้องหรือเป็นเพราะมีความรู้น้อย โจเฟอร์นี่ก็ดีนะอดทนนะไม่ตอบโตนะ้แต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยหลังจากที่ถูกระเบียร์รวมใส่เรยวัดตลอดทั้งวันเลยพอขับรถเนี่ยถึงบ้านนะของเจ้านายเนี่ยโจเฟอร์ก็พูดกับเจ้านายว่าเนี่ยผมขอลาออกนะครับเจ้านายก็งงนะแต่แล้วก็บอกวันเนี่ยนี่กุญแจนะครับ ผมขอคืนนะกุญแจรถเจ้านายก็รับกุญแจรถแบบงงๆนะทำไมล้าออกแบบไม่มีปีไม่มีคุยแบบนั้นเสร็จแล้วคนขับรถนี่ก็ลงจากรถแล้วก็เดินไปที่ประตูบ้านพออยู่นอกพออยู่นอกบ้านนี่ัวเฟื่องนี่ก็ตะโกนเลยนะ มึงออกมากับกูเลยนะมาต่อยกับกูตอนนี้มือกูเท่ากันแล้วออกมาข้างนอกเลยนะมึงเห็นกูเป็นใครตอนนี้มึงกับกูเท่ากันแล้วอ อ, อ, นะ อ, ออกมาต่อยกันเลยาก็กลายเป็นคนละคนไปเลยนะโถเฟอร์เนี่ยแต่บอกว่าทําให้สีโอคนนี้ตะลึงเลย ข้าไม่ถึงเลยนะว่าโซเฟอร์เนี่ยซึ่งสงบสุภาพเรียบร้อยนี่จะมีอาการกลัดเกลี่ยวแบบนี้แต่แทนที่จะโกรธโชอเฟอร์นะกลับได้คิดขึ้นมาเลยว่าเนี่ยเรานี่ทำให้คนที่สุภาพนีกลายเป็นแบบนี้ได้นี่เรานี่แย่จริงจริงเนี่ยนับแต่นั้นมานะแกก็เลยกลายเป็นคนทีนะ่เอาใจตัวน้อยลง ไม่คิดระบายอารมณ์ใส่ลูกน้องหรือคนข้างๆเพราะว่าได้บทเรียนนะว่าเนี่ยคนแต่และคนนี่เขาก็มีศักดิ์ศรีนะไม่ใช่ว่าเรารวยเราเป็นเจ้านายแล้วเราจะทำอะไรกับเขาก็ได้ทุกคนก็มีหัวจิตหัวใจและปอกว่ากลายเป็น CO ที่ใจเย็นนะแล้วก็เป็นที่รักของลูกน้องเวลามีคนมา ถามว่าเนี่ยเจ้านายเนี่อะนะอารมณ์เย็นนะนุ่มนวลอ่อนโยนเนี่ยแช่ก็จะเล่าว่าเนี่ยแต่ก่อนไม่ใช่หรอกแต่ก่อนผมไม่ใช่แบบนี้แต่ว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเนี่ยเจอนะเจอบทเรียนสอนใจนะจากโชเฟอร์คนนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าว่าไม่เจออะไรที่แรงๆนะเช่นคำต่อว่าดาทอ บางทีมันก็ไม่ได้สติไม่ได้เกิดความฉุกคิดเหมือนกันนะนั้นคําต่อ ว, ว่าดาทอ น, นี่มันก็มีประโยชน์เหมือนกันและที่จริงเราไม่ต้องรอนะคำต่อ ว, ว่าดาทอจากครูบาอาจารย์จากคนใกล้ตัวหรือคนปรารถนาดีจากลุกนองนะบางทีแม้กระทั่งคนที่ไม่ปรารถนาดีกับเราแต่คําพูดของเขานี่มันก็สามารถที่จะ สอนใจหรือให้บทเรียนกับเราได้ถ้าเป็นนักปฏิบัติเนี่ยนะโดยเฉพาะถ้าเป็นคนที่มีสติปัญญาเนี่ยก็จะเป็นนักฉวยโอกาสนะอย่างที่หลวงพ่ อ, เ, อเขียนไว้่าเนี่ยต้องนักปฏิบัติต้องเป็นนักเฉลยโอกาสฉวยโอกา ส, กาสจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองเอามาใช้เพื่อสอนใจแม้ว่ามันจะเป็นคำพูดที่ เรียกว่าไม่หวานหูนะหรือไม่ไภเราะหรือบางทีเป็นคำพูดที่รุนแรงแต่แทนที่จะทุกเพราะมันนะก็กลับเอามาใช้ใเป็นประโยชน์ไอ้จริงเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าเป็นรักปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะหวังแต่ว่าขอให้ทุกอย่างราบรื่นมีแต่คนพูดดีกับเรามีแต่คนพูดทำให้เราสบายใจ ไอ้แบบนี้อาจจะไม่เติบโตเท่าไหร่นะบางครั้งเนี่ยคนเราจะเติบโตได้หรือพัฒนาได้หรือว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงได้ก็เพราะเจอสิ่งที่มากระทบแรงๆงัถ้าหากว่าหวังความเจริญก้าวหน้าหวังความเจริญงอกงามในทางธรรมมันก็ต้องพร้อมนะที่จะเจอกับสิ่งที่เสียดแทงใจ หรือสิ่งที่มาทําให้ติดหวังไม่ถูกใจเพราะสิ่งเหล่านี้มันสามารถช่วยลบเหลี่ยมลบมุมของเราได้คนเราเนี่ยถ้ามันเจอแต่สิ่งที่ถูกใจเจอแต่คําพูดที่สนเะหูไอ้เหลี่ยมมุมที่มีอยู่นี่มันก็จะยังอยู่นิสัยที่แย่ๆก็อาจจะยังคงอยู่แต่ก็ธรรมดาเนาะคนเราเนี่ยก็มักจะชอบอะไรที่มันราบรื่น เวลาอยู่กับผู้คนก็หวังแต่อยู่กับคนที่ถูกใจผู้จาไยเราะแต่อาจรู้ไม่ว่าบรรยากาศแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่เอื้อต่อการเจริญ ง, งอกงามอาจจะไม่ช่วยขัดเกากิเล็หรือลบเลียนลบมุมของเราได้เท่ากับการที่ได้อยู่ท่ามกลางผู้คนที่อาจจะพูดไม่ถูกหูไอทำอะไรไม่ถูกใจ ซึ่งบางทีก็อาจจะเป็นความตั้งใจนะโดยเฉพาะจากครูบาอาจารย์ที่ตั้งใจพูดเพื่อเตือนสติหรือบางทีก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นแต่ว่ามันกลายเป็นข้อเตือนใจนะอย่างคําภริยาคําพูดของภริยาหลว ง, งพ่อเทียนเนี่ยก็มันเป็นสิ่งที่มีค่ามากนะสำหรับหลวงพ่อเทียนที่ทําให้เกิดความจุดเปลี่ยนเกิดจุดเปลี่ยนในชีวิต ที่สำคัญอาย่างนี้พุทธนีนะ